แต่พอคิดเรื่องที่มันชวนให้วิตกกังวลทำให้เครียดก็กินไม่ลงเจอข้อความที่เขาคอมเมนต์ทางเฟซบุ๊แรงๆเนี่ยวันทีก็ไม่แรงเท่าไหร่นะเพียงแค่เข้านะแค่ประชดประชันเนี่ยเราก็เครียดเลยโกรธโมโหไอ้ที่กำลังกินข้าวอยู่นะก็กินไม่ลงแล้วอันนี้เพราะความคิดนะ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 เข้าสู่เพราะว่าขาขึ้นแต่เวลาจะลงเนี่ยลงไม่เป็นนะเราเรียนรู้แต่เรื่องว่าทำไงถึงจะประสบความสำเร็จนะแต่เราไม่ได้เรียนรู้ว่าเออทำไงนะเมื่อทาไมจึงจะลงจากความสาเร็จได้อย่างนุ่มนวลนะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นสูงแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องลงต่ำทั้งนั้นแหละนะเหมือนเครื่องบิน่ะนะนะเครื่องบินเนี่ย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 และที่สำคัญคือว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่รู้สึกทรมานโอ้ทำไมเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงสักทีเวลาเราไม่คาดหวังนะเราจะรู้สึกว่ามันถึงไวเนี่ยขาไปเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่ามันถึงช้าแต่ขากลับเช่นเวลากลับบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกเออมันถึงไวนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะต้องถึงไวๆนะความอยากให้ถึงไวๆมันไม่มีเราก็เลิกกลับรู้สึกว่าเออมันถึงไว